เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่9ทธันวาคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่โรงซ่อมเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากมีผู้แจ้งเข้ามาว่ามีบริษัทเอ ก, กชนรายหนึ่งได้เข้าไปขัดขานการตรวจสอบสภาพรถที่บริษัท ไทยวินเนอร์ซักจำกัดจะมีการส่งมอบและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตรวจสอบสภาพหลังจากที่บริษัทไทยวินเนอร์ซักจำกัดได้ชนะการประมูลในการสั่งซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางสอบถามนายกิจหลีกภยัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้เปิดประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางเพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุจําเป็นเนื่องจากถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ต้องมีการซ่อมแซมหลายร้อยกิโลเมตรทั้งถนนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองถนนไถ่โอนและถนนเครือข่ายทำให้ต้องมีการสั่งซื้อรถชนิดดังกล่าวเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะหากจะจ้างเอกชนก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนายกิจกล่าวว่าเมื่อทางคณะกรรมการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังมีมติว่าให้มีการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ก็ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนคือมีการประกาศซื้อเช็คราคาเครื่องจักรและมีบริษัทมายื่นเสนอประมูลจำนวนสามบริษัทและได้มีการเช็คราคาจากพื้นที่อื่นจึงทราบว่าราคาทั่วไปที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ คันละ25ห้าล้านบาทลดได้อีกเหลือคันละ 22.5 ล้านบาทจึงมีการตั้งงบประมาณไว้ที่ 22.5 ุล้านบาทขณะเดียวกันได้มีบริษัทเอ ก, กชนแห่งหนึ่งมายื่นข้อเสนอให้แต่ตนก็ปฏิเสธไปจึงได้ตั้งราคากลางไว้ที่ราคา 21.5 จล้านซึ่งบริษัทไทย วินเนอร์ซักจำกัดเป็นผู้ชนะประมูลไปในราคาจำนวน20สล้านหแสนแมืนบาทนอกจากนั้นนายกิจยังกล่าวต่อว่าทางบริษัทที่แพ้ประมูลได้กล่าวหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงังว่ามีการล็อกสเปคสินค้าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ชนะประมูลซึ่งในส่วนนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดและพร้อมให้ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยส่วนตัวมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงความขัดแย้งทางธุรกิจของบริษัทเอกชนสองบริษัทที่ได้มีการลากเอาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับฝ่ายใดทั้งนั้นด้านนายไพบูรณ์ผู้สิริไพบูรณ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยวินเนอร์ซักจำกัดเผยว่าวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังมีการตรวจสภาพรถจากบริษัทของตนแต่ได้มีตัวแทนจากบริษัทคู่แข่ง มาขัดขวางการตรวจสอบสภาพรถอีกทั้งยังมีการฟ้องสื่อฟ้องหน่วยงานอื่นๆให้เข้ามาตรวจสอบและมีการฟ้องร้องต่อศาลว่าบริษัทของตนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการเอื้อประโยชน์ต่อกันซึ่งในทางคดีตนไม่ขอให้รายละเอียดให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย แต่ตนยืนยันว่าบริษัทของตนนั้นไม่ได้มีการชดจริตแต่อย่างใดเอกสารหลักฐานทั้งหมดก็พร้อมให้ตรวจสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อได้มีการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ตัวแทนของบริษัทที่แพ้ ป, ประมูลกลับปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยขณะเดียวกัน ทางตัวแทนของสองบริษัทก็ได้มีการพูดจาเสียดสีกันตลอดเวลาทำให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเป็นคนกลางเพื่อป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นก่อนแยกย้ายกันไปโดยไม่มีเหตุความรุนแรง